บุ๊ทูสามสิบเอดทสซจินที่ร้านอาหา ร, รสามอุรัสตร์ยทดิ 3. 3> ฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะ ดิฉันอยากได้สลัดค่ะดิฉันอยากได้ซุปค่ะดิฉันอยากได้ของหวานค่ะดิฉันอยากได้ไอสิสครีมใส่วิปครีมค่ะ ดิฉันอยากได้ผ ล, ลไม้หรือชีสค่ะยเจบสดาวิซูรเราต้องการทานอาหารเช้าเราต้องการทานอาหารกลางวันเราต้องการทานอาหารเย็น อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะ中午吃的是鸡蛋。ขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Булочка с павидлом и м д о м ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Тосты с колбасой и сыром。 ไข่ลวกไหมคะวารเนย์ยิ่ก์ไข่ดาวไหมคะยาเยชชิูออมเล็ตไหมคะออมเล็ตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยคะ่ะคอลิลัสกะปาเดจิเยยชชิโยกุรตุขอเกลือและพริกไทยด้วยคะ่ะ คาลิลาสขับด้ายที่เยื่อชั้นโลี่ีรขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะคาลิลาสขับด้ายที่เยื่อชั้นแก